ก็ธุ ด, ดงนี่เป็นสันเลขธาธรรมใช่ไหมครับตอนประพฤติว่าน่าจะอนุญาตซ้ําลงไปอีกเออตรงนี้มังน้อยสันโดษสันเลขธาธรรมขูดเก่าเลยนี่น่าจะดีอีกแต่ท่านท่านบอกไว้ไหมครับว่าถ้าหาว่าอ่านบุคคล น, นั้นเนี่ประพฤติธุ ด, ดงอยู่ก่อนแล้วเออประพฤ้าวประพฤติได้ไหมประพฤติจะห้ามทําไมอะ่ะถ้าเป็นประกตาตามันไม่มีที่ห้า ม, ไ ม, ไ, มไม่ครับคือลักษณะที่ว่าพอตัวเองเมื่อก่อนเป็นประกตาใช่ไหมครับครับยังไม่สมทาน ยังยังไม่สมาทานตอนอยู่กับทุดงครับพอตัวเองมาขอบริวารปุ๊บใ่าหมครถึงสมาทานให้การอยู่ปราบเออเนี่ยมันมันน่าจะส่งเสริมถ้าด้วยซ้ำตรงนี้น่าจะส่งเสริมก็ตอนนั้นยังไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดที่จะประพฤติเอเ อ, เอวินัยส่วนละเอียดคือข้ออนุญาตพิเศษตรงนี้ที่ขัดเกลีที่เป็นวัดที่ที่ควรจะประพฤติปกติแล้วปกติแต่ถ้ายังไม่เคยทําน่าจะได้ทําใช่ไหมครับที่มาเป็นบริวารถ้าทําโอ้โหน่าจะสาธุกันเออน่าจะเป็นอย่างนี้ คือการการการอยู่ปากเป็นวัดเท่าที่เทท่่าีผมเข้าใจบุคคลผู้ขอหรือว่าเนี่คิดว่าอาจจะออาจจะมีมีความว่อาอกลัวว่าบุคคลอื่นจะรู้ว่าตัวเองสะพืิวัดบ้งอือย่างงี้เนี่ยนะผมคิดผนะเ่ยเราไปอยู่ปากันนะไปอยู่า่าที่อ่าก็เผื่อว่าเผื่อข้ามาเราจะไม่ได้เห็นไม่ได้บอกวัดได้อะไรอ่ะถ้าเข้าเข้ามาในอาวะเห็นไม่เห็นก็ต้องบอกครับเห็นไม่เห็นก็เสียอยู่ดีไม่ได้เกี่ยวกับเห็นเออฮะ ไม่ใช่เดี๋ยวบิดาบาตเป็นวัดก็ห้ า, าอาีกอ้าวไม่ให้มาทานเพาเขาอาจจะตัดสิทธิพิเศษเ <laughs> <laughs> พรจริงน่าจะส่งเสริมไม่ใช่สิทธิพิเศษเลยกลับน่าจะส่งเสริมได้อีกเออไอเวลาเลือกกุฏิดันอนุ ญ, ญาตให้เก็บวัดแล้วเลือกหน้าตรงนั้นน่าจะไม่ให้เลือกแต่ตรงนี้น่าจะส่งเสริมด้านห้ามอีกเออมันประหลาดจริ ง, งอ่าตรงมีข้อห้ามห้ามอะไร อะไรหลังจากท่านลงก็ห้ามเข้าไปรับนิมนต์ในบ้านไปฉันในบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับคือท่านท่านบอกไว้ไหมครับว่าถ้าหากว่าท่านสมาทานอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมครับจะพึงไปรับอรุณในในป่านั้นควรอยู่ท่านบอกไว้ไหมครับอะไรเนี่ยถ้าหากว่าสมาทานอยู่ก่อนแล้วอนะฮะจะพึงไปรับบรุณในป่านั้นควรอยู่ไม่มีในบาลีหมดแล้วหมดแล้วแค่นี้ครับไม่บาลีวนล้วนเลย ไม่พึงสมาทานอารันญิกาธิดงไม่พึงสมาทานปิณฑบาติกาธิดงหมดเนื้อความเลยต่อไปไม่ใช่เนื้อความตรงนี้แล้วคนละเรื่องนะครับไอต่อไปจะเป็นไม่พึงให้คนนําปิณฑบาตมาเพราะกลัวคนจะรู้เราว่าเราประพฤติวัดตรงนั้นคนละคอกันแล้วไม่เกี่ยวกับไอตรงนี้แล้วเออเอาน่าแบบเพรามจริงนี่อย่างนี้ครับถ้าเราอ่านแค่นี้ถ้าไม่อาศัยอัรถกถาเราจะตีความได้ยังไงนี่แค่นี้เราก็เล่นกันงงแล้วครับใช่ไหมครับ เพะนันต้องอาศัยอรรถาถาใช่ไหมครับถ้าเราไม่อาศัยก็ห้ามพุทก็ไม่ไม่พฤตมันเลยเออเนี่ยถ้าเราถ้าไม่ไม่ใช่หมายประมาตรงนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราอ่านพระบาลีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราไม่ได้อาศัยอรรถาถาเราอยู่กันตรงนี้สมมุติว่าสิบสิ บ, ส, บ, ส, บสิบประลุองหนึงจะมีความเห็นอย่างอย่างดีอา้าบางองค์ก็อาจจะไปมีความเห็นคล้อยกับเพื่อนได้อีกองหนึ่งนอกนั้นจะแตกแตกแตกแต ก, แตกกันเลยด้วยหาสุสิทธิ์บอกว่าอะไรอ่ะตัดสิทธ ท่านบอกว่าเพื่อไม่ให้ใครรู้ อ, อท่านวิสชิดบอกว่าบินุบาิยากอีกองบอกว่าอาสมมติท่านรถบอกว่ามีความเห็นเนอะเกิดพระมาจะไม่เห็นไม่ได้บอกนะครับจะต้องออกมาอยู่ข้างนอกให้พระเห็นให้เห็นพระ<ม>คืออันนี้สมมุติครับผมมันจะได้ความเห็นมันจะแตกแยกไปเพราะถ้าเราอ่านบาลีล้วนๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องอาศัยอรตถกาถาได้อย่างนี้คําย่อๆอย่างนี้แหละครับ ท, ที่ที่มีคําอธิบายไว้แล้ว พระอาหารหันต์ทั้งหลายสอนกันมาว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้นะประสงค์เอาอย่างนี้นะไอ้คาว่าประสงค์เอาในทีนี้คือพระพุทธเจ้าเคยบรรยายไว้อย่างนี้อธิบายไว้อย่างนี้พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็นํามาสอนลูกจิตลูกหัวทรงจํากันมาแล้วก็จนมาถึงการจารึกเป็นอักษรเลยมาเป็นรูปเล่มจนปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าพระองค์ใดองค์หนึ่งเขียนขึ้นมาอักษรถาหมายถึงอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้การไปอาศัยอรกรฐาแล้วมารู้ความในบาลีไม่ใช่สิ่งที่น่าลังเกียจ ไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเราลองมาดูดูเนื้อความในบาลีตรงนี้ว่าทําไมท่านจึงห้ามนะครับความจริงกี่ที่ตอบมายังไม่มีตรงเลยอะครับใช่ไมครัขนาดเราช่วยกันตีวานอย่างนี้ยังไม่ตรงเลยแต่ไม่แน่ท่านมงคลลองไงอา่าวลองลองไงลองแสดงความเห็นเอลองคิดด้วยตัวเองทําไมท่านถึงไม่แหงอนุญาตให้ให้สมาทานอารันยิกาทูดงทั้งทั้งที่อารัญยิกาธุดงเป็นสันเหลกธรรม ควรประพฤติทุกการทุกเวลาเลยทุกองค์ด้วยแต่ทำไมห้ามเออเออลองดูลองโลองแสดงความเห็นท่านสมชายก็ได้องค์น้อยก็ได้เออนินชาลินิชานี่มันมีอะไรแปลกๆอยู่เออลองนะไม่เกี่ยวกันต้องอบาลก็ขูดเก้ากิเลสได้ตอนนั้นช่วงนั้นประพฤติได้แต่เลขาธรรมคือทำให้อะไร เเออสิ่งต่างๆให้มันเบาบางลงความต้องการอะไรๆมากๆไม่ให้มันเบาบางลงอาเราลองอเดี๋ยวเร า, ามาดูอารัญยิกะธุดงนี่อาจารย์มาแก้ว่านณะอารัญยิกังทันตินะครับตั้งบทไว้เลยอาคตาคตานางอาโรเจตุงหรายะมาเนนะนะครับอารัญยิกะธุตังคงังนณะสมาธิสมาธาตับพัง เขาบอกว่าปริวาสิกาพิษุนี่เบื่อหนายเบื่อหนายเบื่อหนายที่จะบอกพระไม่ไปไปบามาเนี่ยเบื่อไอ้ขี้เกียจบอกกวมาสมาทานอะไรนกับทุดงดีกว่าขี้เกียจบอกครับเบื่อหนายอย่างนี้แล้วจะไปสมาทานอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เบื่อหนายที่จะบอกแล้วก็จะหลบไปสมาทานอรันทิการทุดงอย่างนี้ไม่ได้นี่นี่ท่านท่านอธิวัเห็นท่านเลยตรงนี้ บอกอยู่ดีแต่บางทีไปสมาทานอะไรนี้กับทุดงเห็นไหมจะอ้างว่าเราไม่เห็นไม่รู้เห็นครับสมมติออกจากอาวาสไปมีพระไปด้วยกันสี่ห้าลูกไปอยู่นู่นครับเพื่อชวนชวน ช, ว น, ชวนกันไปหรือตามตามพระที่สมาทานอารันิการุดงแล้วก็เลยสมาทานตามท่านไปไปอยู่กันอยู่ที่น่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ ทีนี้ทีนี้ท่านอ่าต่อมาต่อมาอตรงนี้ท่านห้ามนะครับถ้าเบื่อนายที่จะบอกแล้วก็ไปสมาทานอารันติกะทุโดงอย่างนี้ไม่ได้อ่าทีนี้ต่อไปเยนะปิปกระตะเอปกริยาสมาธินังเตนะทุติยางพิกขุงเขตวาอารัญเยอรุนังอุทธาเปตะพังแต่ถ้าเธอเคยถ้าเธอสมาทานอารัญญิกะทุโดงนั้นเป็นปกติอยู่แล้วเธอสมาทานไว้ยอย่างนั้นแล้ว เราจึงมาขอปฏิวัติจึงมาประพฤติวัดเธอต้องทํำยังไงเธอต้องพาภิกษุรูกหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนออกไปข้างนอกนูน่นออกไปรับอรุณข้างนอกวัดนะครับขี้เกียจบอกจสมมติขี้เกียจบอกเห็นไหมครับออกไปรับอรุณข้างนอกหรือว่าออกไปรับออกออกไปรปออออไปับอรุณในป่าออกออกไปรับออออกไปรับอรุณในป่าเอ่ออกไปรับอรุณในป่านะครับให้ให้พาไปอย่างนี้แต่จะไปองค์เดียวไม่ได้นะครับ แต่จะไปองค์เดียวไม่ได้นะ่าจะเอกเกนณวัดตพังเอกันตะพังแต่เล่มนี้มันเป็นวัดตพังยังไม่ค่อยดีเล่มอีกเล่มหนึงจะเป็นคันตพังนะครับจะพึงออกไปคนองค์เดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนไปหมายความว่าต้องมีเพื่อนไปเพื่อนไปแล้วก็ไปสมาทานกันที่นู่นไปรับอารุณกันที่นู่นนะครับไปรับอารุณ์กันนอกวัดหมายถึงอย่างไ้นนะครับตรงนี้จะพูดถึงถึง อ, อะไระพิกษุผู้สมาทานทุดงอยู่ก่อนแล้วจึงมาเข้าปฏิวัตนะครับ นี้อ้าวหมดไปแล้วนะครับข้อนี้ใจข้อหนึง่งในบาลีมีบอกว่าณปิณฑบาริกังคังสมาธิตั๊ังไม่พึงสมาทานการบินบาตเป็นวัดนะครับทําไมถึงท่านห้ามอ้าท่านกจะมาแก้ว่าตถาภัตตคาทีสุอาสนาปริยันเตสุนิสัชยะฮารยมะฮารายมะาายามาเนนะนะครับเพี้ยสุปริวานั้นผู้ประพฤติวัดอยู่เบือ่อเหลือเกินเบื่อที่จะต้องไปนั่งอาสุธะสุดท้ายนั่งหางแถว นะครับในในเวลาฉันเป็นต้นในเวลาฉันเป็นต้นในเวลานิมนต์เป็นต้นไอนเวลานิมนต์ออาทิสาบก็เอาในที่นิมนต์นะครับในเวลาฉันเป็นต้นเบื่อเหลือเกินที่จะนั่งอาสนะสุดท้ายลงกบโสดก็ไปนั่งอาสนะสุดท้ายปรณาก็ไปนั่งอาสนนสุดท้ายถึงจะตามลําดับของตัวเองก็จริงแต่ไม่ต้องไปนั่งอาสนะเบื่อเบื่ออย่างนี้เมื่อเบื่ออย่างนี้จึงสมาทานบิดาบาตเป็นวัดไม่ได้นะครับไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเธอ ไอสมาทานอยู่ก่อนแล้วการบินนบัตเป็นวัดข้อนั้นไม่ไม่มีการห้ามเธอสมาทานของเธออยู่ก่อนแล้วไม่ใช่มาสมาทานในในปริวัตินะครับไม่ใช่มาสมาทานในปริวาติเพราะฉะนั้นที่ห้ามสมาทานบินณบัติกะเธองคือเบื่อการนั่งสุดท้ายนะครับเบื่อขี้เกียจท่านจะใช้คำว่าหารายมะนีนะนะครับเบื่อหนายขี้เกียจขี้เกียจในภาษาไทยไม่ชอบไ้นั่งสุดท้ายนี่รู้สึกมัน ไม่นิ่มตูดถ้าท่านสมาทานอยู่ก่อนแล้วไม่ห้ามครับบินนบ่าได้ครับแล้วทีนี้ว่าเธอว่าไม่ห้ามท่านถ้าท่านเบื่ออยู่แล้วเบื่ออะไรครับเบือ่อเบื่อนี่จะนั่งจะนั่งสุดทายอยู่ดีนะคท่านสมาทานครับคือหมายความว่าท่านส ม, ม, ม, มาทานอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้นท่านก็ต้องไปรับบาปประจําอือืม แต่ท่านเบื่อที่จะไปนั่งอาจาจะนั่สุดท้ายอ้าวบินนบัติจิตกะทดงก็ไม่ต้องไปนั่งเล่อะอ้ต้อง่้าว พ, พอพอินมานอออย่างนี้อย่างนี้สมมุติว่าเวล า, วาเวลาแจกพระนะในในศาลาหลงฉันพระธรรมดาอ้าวไปรื้นั่งอ้าวองค์นี้ต้องเป็นองค์สุดท้ายฉันอาหารที่เขานำมาสวายใช่ไหมครับก็ดีอะไรอย่างนี้ บินบาติกาทุดงก็บินบาตมาแล้วต้องฉันอาหารเฉพาะที่บินบาตที่อันอื่นไม่ที่โยมนํามาอย่างนี้ฉันไม่ได้เราไม่ได้รับมาเราไม่ได้บินบาตมาฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องฉันเฉพาะของในบาตเท่านั้นจริงไม่ได้เกี่ยวกับไปนั่งใช่ไหมครับไม่ต้องไปนั่งท่านคิดว่าอย่างเราไปบินกันเนี่ยบินมาแล้วก็มาอ๋อไม่ไม่เหมือนกับเราไม่ใช่ไม่ใช่บินบาติกาทุดงมันก็ต้องพิเศษขึ้นไปกว่านี้ใช่ไหมเราก็บินบาตทุกวันแล้วก็แล้วก็เอามารวมกันอย่างนี้ใช่พอที่ไหนที่ดีๆนั่งฉันเลยก็ได้ครับ จะกลับมาวัดก็ได้ถึงกลับมาวัดก็ไม่ไม่คือไม่ไปเอาอาหารที่เขามาถวายตามปากตามวันอโบสถวันอะไรอะไรอย่างนี้ครับไม่เอาอาหารอย่างนี้ไม่เอาต้องเอาอาหารที่เขาใส่เราเดินไปด้วยหามาด้วยลำแข้งตัวเองเท่านั้นหมายความอย่างนี้ครับปิณฑบาตริกาทุดงอาหารอื่นไม่เอาคนนี่มุนขึ้นไปบนบ้านก็ไม่เอาอีกรัไม่ได้อีกต้องรับเฉพาะที่เขาใส่ลงมาในบาทแค่นั้นเอง ใช่ไหบินนบัติกาญทุดงต้องไปด้วยลมแข้งแล้วก็กลับมาเพนนั้นบินไม่ได้ก็อดไปดิครับไม่ก็รับไม่ได้ไงอ๋ออาหารของพระนะถ้าถ้าถ้าเดินเดินมาหามาแล้วท่านใส่บาตรก็ก็เป็นอาหารบินนบัตครับเป็นอาหารบินนบัตไม่ใช่อันิี้มนทัศน์นีมนครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วบินนบัติกาญทุดงก็เราก็อที่เรารู้อยู่มันก็มีสามอย่างครับอุกีตกลางแล้วก็หย่อนอุกิตคือ วันนี้ไปทางนี้พรุ่งนี้ไม่ไปแล้วครับไปทางนู่นหรือนี้ไปทางนี้อันา น, านั้นอ้าวกลับมาที่เดิมเองไม่ใช่ซ้ำที่ทุกวันทุกวันแล้วคือ <achieving> ป้องกันคนนิ ม, มนต์ถ้าเกิดเดินลืดไปทางนี้พรุ่งนี้นิ ม, มนต์อีกนะเจ้าค่ะแล้วก็ไปรับอีกอันนั้นไม่ใช่บินนบาริกาทุดงแล้วครับเสียบายต้องเริ่มต้นกันใหม่นิมนต์แบบนี้เขาไม่ได้ไม <c oughs> ่ได้ครับก็คือยังอุ ก, กรฤษยังอุกฤษหมายความอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขานิมนต์แล้วบินนบาติกาทุดงคือไม่มีใครมมนิ ไม่มีใครนิมนต์เลยจึงไปรับรับรับแล้วถ้าเขามีนิมนต์แล้วก็ไปใส่เส้นอื่นแล้วไม่ไปแล้วครับทางนู้นไม่ไปถ้าเขานมิมนต์แล้วไม่ไปแล้วไปทางอื่ น, น, นแลน้วในเวลาวันที่เขาไม่นิมนต์เราก็กลับไปอีกได้ไม่เป็นไรในกรณีที่ว่าเรากําลังเดินไปพอดีโยกมองเห็นนะครับบ้านเขาอยู่ข้างหน้าเราต้องไปทางนี้แหละครับเขาบอกเอานิมนต์ก่อนเจ้าข้า อ, อย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับอย่างนี้ได้ <ใน S 1> ไอ้ที่คำนี้บอกผมว่านิมนต์ นิมนต์ทวันนะเจ้าคะ่ะพวกนี้หรือพวกนี้นิมนต์อีกเจ้าคะ่ะแล้วเรารับไปอย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่ารับนิมนต์ครับที่อันนี้หมายถึงอย่างอุกฤษนะครับอย่างกลางลงมาอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าถ้าเป็นนิมนต์วันนั้นก็คือเขาทีมนจะให้ไปยืนรับใส่เขาครับอันนั้นอันนั้นเขาเขาจะต้องนิมนต์วันนี้เขาจะให้วันนี้อย่งางก็ชื่อว่าบินทบาทนั่นแหละก็ชื่อว่าบินทบาตเคาเขาทีมนรับบินทบาทอันนี้ไม่ใช่นิมนต์รับพวกนี้ใช่ไหมครับมันคนละเรื่องกันคนละอย่างกัน ไอ้ไอ้ถาย่างกลางลงมาอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่เวลารับมาแล้วต้องอาหารที่ที่ได้มาตามลําดับก็ฉันตามลําดับหรือไม่ก็อ่าไม่ให้รู้มันซะว่าตรงไหนเป็นลําดับอันไหนหมายความอย่างนั้นเพื่อไอ้ที่ท่านบอกว่าขัดเก้าคือสมมุติว่าเรารับบ้านที่หนึ่งมาแกงส้มรับบ้านที่สองมาหมูย่างรับบ้านที่สามไก่ทันมีิทธิ์ลุยเลยไก่กินอันหลังอันอันที่สามก่อนอย่างนี้ป้องกันอย่างนี้ครับใช่ไหมครับ เพื่อไม่ให้ไปติดว่าอันนี้หนึ่งสองสาจะต้องฉันตามลําดับมาถ้าไม่ฉันทำลต้องทําให้มันเข้ากันท่าไม่ให้มันรู้ว่ารถของบ้านนี้นะดีบ้านนี้ไม่ดีบ้านนี้อ่อนฟ้าวันนี้ที่หนึ่งเลยอย่างนี้ถูกใจเราพวกนี้เราจะไปอีกอย่างนี้ป้องกันอย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่าขัดเกลไงครับเห็นไหมครับอย่างนี้จึงชื่อว่าขัดเกลว์สัลเลขาทำอย่างนี้จึงชื่อว่าขัดเจลวป้องกันเหล่านี้คือให้มันค่อยๆค่อยค่อยค่อยค่อยเอเอะกบเกินไป เขาเคยทำให้มันความต้องการของเรามันเบาบางลงแล้วไม่นานๆทํามานานๆมันก็เลยไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้มันก็เลยเป็นปกติวิสัยหมายความอย่างนั้นนะครับอย่างนี้สันเลยเคยทำในในต้องต้องลองดูในทุ ด, ดงอีกต่างหากนะครับแต่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่เป็นอุกฤษกลางแล้วก็เบานะครับมีมีได้ทั้งสามข้อแล้วก็ทั้งสามข้อไม่ใช่วเสียทุดงทําตามนั้นได้นะครับทําตามนั้นได้ไม่ไม่ไม่ไมวเสียทุด แต่ถ้าอุกฤษก็เขานิมนในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ไปแล้วไปเส้นอื่นหมายอะไรคือไม่รับไม่รับนิมนต์ไม่รับไม่รับนิมนต์ประจําไม่รับนิมนต์ในวันพุ่งไม่รับบอกเขาเลยอพรุ่งนี้คงไม่ได้มาองค์อื่นอาจจะมาแทนอย่างนี้อาจจะมาคงไม่ได้มาเส้นนี้แล้วไหนครับไม่ใช่ก็ไปที่อื่นแต่วันอื่นได้วันที่เขาไม่ได้บอกอ่ะครับเราก็ไปอีกไม่เป็นไร อ่าต่อไปนะครับอ่ามีข้อหนึ่งบอกว่าณตาปัจจญาปินดาปาโตนีหรานีหราเปตะโพมามังชาหนิงสุตินะครับในบาลีบอกว่าไม่ปริวาสิกาพิกสูนี้ไม่พึงไม่พึงให้ใครนําบินดบาดมาเพราะเพราะเพราะการเบื่อหน่ายซีเอเอนั่งสุดท้ายอะไรอไรพวกนี้ครับเพราะเบื่อหน่ายอย่างนี้แล้วก็ไม่ให้ ไอ้สมาชิทานทุดงด้วยเบื่อนายสึงเหล่านี้เหลือเกินเลยเลยจะให้คนนําบินนบาตมาให้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครรู้เราว่าเราประพฤติวัดไม่ให้โยมนําบินนบาตมาให้ให้เน้นนาบินนบาตมาให้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพื่อไม่ให้ใครรู้เราว่าเราประพฤติวัดอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับให้คนนํามาไม่ได้บินนบาตแต่ถ้าเราอยู่อยู่นั่งนังอยู่มีคนนํามาไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ให้เขานํามา สมมุติได้เรานั่งนังอยู่ที่ที่ของเราแล้วกันโยมก็นํามาหรือเนนก็นํามาถวายรับได้ครับเพราะเราไม่ได้บอกเขานํามาแต่ถ้าเราบอกเขาไม่ได้นะคร บ, บอกเขาไม่ได้บอกให้นํามาอย่างนี้ไม่ได้นะครับในข้อนี้อ อ, อท่านไม่ได้บอกนะครับท่านประพฤติปฏิว่าอยู่เนี่ยทีนี้ว่ามีาพระกาศน์นี่ครต้องการจะสงเคราะห์ท่านบอกว่าเออท่านไม่ต้องไปบินจบาหลหรอกเดี๋ยวว่าผมไปบินจักรบาลมาแ ล, แล้วจะแบ่งให้ท่าน กรือีอย่างนี้จะได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับผมนี่กอนไม่มีครับไม่ไม่ไม่ไม่หมายถึงการดีๆในที่นี้คงต้องห้ามนะครับห้ามแต่ถ้าท่านยังนํามาก็คงไม่เป็นอาบัติอะไรเพราะการนํามาการที่ท่านบอกอย่างนี้ชื่อว่าการมาอุปถาบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ต้องห้ามเสียก่อนห้ามเสียก่อนคล้ายๆสมเด็จใช่ไหมครับเหมือนกันนี่ๆเหมือนกันสามเด็จนำมาหรือโยมนํามาถ้าเขานํามาเองโดยที่เราไม่เคยบอกไว้ก่อนอย่างนี้รับได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะเขาจะนํามาประจําเราต้องห้ามแล้วห้ามเพื่อป้องกันความยินดีที่ที่ที่ที่ที่ข้อที่มีความยินดีการอุปถากใช่ไมครัต้องห้ามหลังจากห้ามแล้วเขาจะนํามาอย่างไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ถ้าวันเดียวเขาเอามาวันเดียวรับไปเลยครับแต่ถ้าทํามาหลายๆวันแสดงว่าอุปถากรอทีนี้จะเริ่มรับใช้แล้วครับอย่างนี้ต้องห้ามเสียก่อนห้ามในข้อต้นนะครับห้ามเอห้ามห้ามสำเนาในอุปถากเป็นต้นนะครับสำเนาในอุปถากรในข้อต้นต้นนู้นห้ามห้ามห้ามตามลักษณะนั้นแล้วถ้าเธอยังนํามาอีกนะครับเดี๋ยวเยวผมดูอีกนิดหนึ่งที่นํามาให้ครั้งแรกนี่น่าจะห้ามไปก่อนไม่ใช่นี่นี่เขาบอกอย่างนี้นะครับ ่เราป็นิานนบาตท่า ส, สุทส์บอกว่าควรจะห้ามตั้งแต่ครั้งแรกอันนี้จริงนะครับท่านบอกว่าไม่ไม่ไม่สามารถจะฉันอาหารที่ที่ที่ให้สำเนนจัดแจงให้นะครับแต่ท่านบอกต่อไปอีกว่าขามังบินอายะปวิติตับพังต้องเข้าไปบินนบาตฉานเองนะครับคือไปไปกับพระอย่างนี้นะครับไปบินบาตคือมีคำข้างหลังบังคับนะครับ ขามังบินายะกวิสิตภาภะเมวะมีเอวะด้วยควรบินบาศฐานเราเองเท่านั้นนะอย่างนี้นะครับคือไม่ต้องให้คนอื่นมาอุปถามตรงนี้ห้ามการอุปถากนะครับประโยคหลังในห้ามการอุปถัมเ อ, เอวะครับมีเอวะขามังบินายะกวิสิตัพภะเมวะนะควรเข้าไปหรือต้องเข้าไปบินบาตในบ้านเท่านั้นตรงนี้คือตรงนี้จะไปสนับสนุนข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับ ห้ามการอุปถากข้างหลังนี่นะครับจะไปสัมพันธ์กับกับข้างหน้าไม่ใช่ข้อเดียวไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่คือคือที่ที่ที่ทตัวเองจะให้คนนําอาหารมาให้ใช่ไหมครับถึงไม่ได้ให้ให้ใครนํามาให้แต่แต่ให้สําเนนให้สําเนหเนหุงหาหุงหาจัดการครับต้องมีน้ำบาดเองคือไม่ให้ใครอุปถักหมายความว่างั้นไม่ไม่ให้ใครอุปถาก ไม่ให้ใช่อุปถาตตรงนี้นะครับห้ามการอุปถากห้ามไ อ, อห้ามในข้อที่เราผ่านมาเกี่ยวกับรับโดยการอุปถาตตรงนั้นนะครับมีอะไรก็บ่าเดี๋ยวยกเวน้นเกี่ยวกับเวนว่าเนะครับมีข้อยกเว้นอีกชีาานานะสานปนะนวกรรมมะอาจริยุปัชายากิจชาธิปสุตตสะวาวิหาเรเยเยวะอิชิตุงวัตติไม่ใช่อิชิตุงตต อ, อ, อ, ชงอัชิตุงนะครับอยู่อยู่ บริว่าสิีกาพิกษุที่เป็นไข้ก็ดีนะครับหรือทําการงานก่อสร้างนวกรรมนะครับผู้อุปถากอาจารย์ก็ดีทํากิจของอาจารย์อาจารย์ใช้หมายว่าอย่างนักิจในที่นี้อุปถากคืออาจารย์ใช้ทํานู่นทํา น, น, ออา น, น, นี่ก็ดีเป็นผู้รับหน้าที่หมายความว่าองนั้นรับหน้าที่การงานของอุปชารับหน้าที่การงานอาจารย์รับหน้าที่ในที่นี้คืออาจารย์ใช้ให้ทํานะครับใช้ให้ทําช่วย ช่วยเก็บกว่าที่โนนหน่อยช่วยยกของตรงนี้หน่อยช่วยจัดตรงนั้นหน่อยอย่างนี้ครับไม่ไม่ใช่ผู้จัดแจงนะครับไปทําเองหมายความผู้ทําเองเลยนะครับทํากิจของอาจารย์อุปชาทําเองอครับคอ่าออุปชาบอกอวันนี้เธอช่วยจัดอาสนะไว้เสดอาสนะไวใ้ให้พิกษุหน่อยนะมีพิกจุม า, าเธอไปทําคือทําตัวเป็นสามเณรเหมือนเหมือนสามเณรคอยรับใช้นะครับเหมือนอย่างนั้นนะครับ หนึ่งเป็นขา่าสองทำการก่อสร้างนวัตกรรมนะครับสามรับใช้อาจารย์รับใช้อุปชาสามข้อนะครับเป็นต้นอีกยังมียังมีอธิษฐานตัวอื่นๆที่สมควรในนี้ในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับไ <c oughs> อ อ, อ, อธิษัานนี่เอาข้ออื่นได้เอาใครลองนึกได้ว่าอาธิษัพนควรจะเอาอะไรออาอาธิษัพนเอาอะไรดีเออยอะไรดีเอาสมชายก็ได้ออา ล้าลน้ำก็กิดไง อ, อาจารย์ไงอุปชาไงใช่ๆไม่ใช่ใช้อุปชาอุปชาใช้เราเออรับใช้อา้อาวอาทิตย์ดาวอะไรดีเรี่นงหนังสือไม่ได้ไม่เรียนหนังสือได้พวกอาวาให้กินไม่ไหว <laughs> อา้านะวนึกได้ไหมมงคลลองๆเอาสักข้อเงี้ยจะได้สมองมันเล่นดิอ่า อ่านี่ก็บองมัง้ง ห, หมดเลยเหรอไม่หมดวันยิ่งยังไม่หมดเลยนั่นยังไ <c oughs> ม่หมดเลยนีนะ่อ้าวผมึม่ไขนะอ้าวพยาบาลพิสูจนไข่ก็ได้ครับใช่ไหมครับอ่าพยาบาลพิสูจนไข้เราก็เป็นผู้พยาบาลพิสูจนไข้พยาบาลพิสูจไข่จะไปมอวินาบาตมาไงเกิดทางนี้ชักกระเดกกระเดกกระเดกกระเไปหรอ ใช่ครับพยาบาลพิสูจไข้ก็เป็นอาทิษฐานได้แล้วอย่างในที่นี้ <c oughs> คือเรานึกถึงในในสาขาบทอื่นใช่ไหมครับ <c oughs> บางทีมีมีพิเศษพยาบาลพิสุจน์ไข้เราก็มีสิพิเศษอย่างนี้ <c oughs> เหมือนกันนะครับในที่นี้ไม่มีบอกเราแต่เรานึกเอานะครับ <c oughs> ทีนี้ต่อมาไอาถึงถึงถึงเราเอาเราล่เานเราเองนี่มันจะไม่ผิดเลไม่ผิดอย่างนี้ผิดารณาพยาบาลพิสุขไข เออพี่ได้ไงเป็นทําด้วยครับเป็นวินัยด้วยเขาว่าผมนึกเอาหลายทีแล้วก็ท่านนึกไม่เหมือนผมสักทีไ <laughs> อ้ไ อ, อ้ของ ผ, ผมนึกนึกไปเทียบเทียงกับสิขาบทอื่นใช่ไหมครั บ, รบเอ อ, เ อ, อสิขาบทอื่นไปวินบาทรีบกลับมาก็ได้ อ, อสมมติตามอาจารย์ตามตามพระเพื่อนตามพระผู้ผู้ผู้เอาจล ก, กว่าผู้แกกว่าไปรีบกลับมาก็ได้แต่ต้องมีเหตุคือบํารุงอุปชาอาจารย์หรือพยาบาลพิสูจไข้นี่เหมือนกันครับไม่ได้ไป เพราะมีพิจูงไ ข, ข้เป็นภาระอยู่เราต้องรับหน้าที่นี้นคอยดูแลเวลาจะจัดอาหารจะพยาบาลวิจูงไ ข, ข่ต้องมีองค์นีรู้จักว่าเออสิ่งนี้สแสดงกับโรคขององค์นี้นะห้ามอย่าเอานำเข้าไปอันนี้นะมีประโยชน์อาต้องนาเข้าไปอะไรอย่างนี้ต้องรู้จักอย่างนี้ด้วยเพราะตัวเองมีความรู้เรื่องนี้ก็เลยต้องอยู่รับหน้าที่นี้ตรงนั้นไม่มีใครมารู้ายละเอียดอย่างนี้เลยเกิดให้สําเนินจัดไปให้สําเนินเลยจัดของสแสดงไว้ให้กินให้มันตายไปซะเลยอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นองค์นี้รู้ ว่าองนี้เป็นโรคอย่างนี้นะอันนี้เป็นของแสลงห้ามอย่างนี้ก็ห้ามอย่างนี้อ่าต่อไปนะครับเจคามีอเนกัสตาภิกขุวิจารณติเริ่มมาแล้วนะครับเริ่ม เ, มเมของท่าน อ, อะไรอาลีมาแล้วนะครับถ้าว่าถ้าว่าภิกษุจํานวนมากมาในหมู่บ้านนั้น <S <S มาในหมู่บ้านนะครับยังไม่มาวัดเลย <S <S ถ้าว่าภิกษุจํานวนมากนะจำนวนมากมาในหมู่บ้านนะครับมาในหมู่บ้าน นาส ก, กาโหติอะโรเจตุงพิกปริ ว, า, รว า, าพิกปริวาเสกภิกสุไม่สามารถที่จะบอกวัดไม่สามารถที่จะบอกให้ทั่วถึงไม่ใช่ไม่สามารถจะบอกวัดคือบอกได้แต่บอกให้ทั่วถึงบอกไม่ได้ขามกาวาสังคันาวาสภาคัตถาเนวติตุงวัตติควรไปควรไปอยู่ในวัดที่ ท, ที่ที่ใกล้บ้านนั่นนะถึงเวลาอเเ อ, เอพระมาในหมู่บ้านใช่ไหมครับมามาม า, มากันมากเลย S 1> <S 1> เดี๋ยวกับโฉบมานี่ทิ้งจะโฉบเป็นโน้นทิงคือพระอยู่กันมากๆจะให้ไม่เดินเลย <S <S <S อยงคงเป็นไ ม, ไม่ได้ใช่ไหมครับพระอยู่นี่โน้นเดี๋ยวท่านโฉบมันนี้เดี๋ยวโฉบมันี้บอกไม่ไหวบอกไม่ไหวท่านบอกให้เราไปเลยไปที่ท่านมากันมากๆนู่นนะครับให้ไปที่นน่นเลยไปอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านอ่ะวัดวัดใกล้ๆที่พระท่านอยู่กันน่ะไปอยู่ที่โน่นไปที่นั่นแล้วต้องอยู่ในในในที่ที่เป็นสภาฆ่ากันคือที่ที่ที่เหมือนกับเรา นะครับไม่ใช่ไปอยู่นานาสังวาสอย่างนั้นไปอยู่ในพวกเดียวกันหมายความอย่างนั้นไปอยู่ในพวกเดียวกันแล้วก็ไปบอกท่านว่าเราเกําลังมาพุทธวัดนะเรามาขออยู่ที่นี่นนเพื่อง่ายสะดวกต่อการบอกเข้าใจไหมครับอย่างนี้ได้ท่านอนุญาตให้ไปไปอยู่ที่นู่นได้ครับรคับแต่มันทําได้ยากเอาแววมาทั้งทิศตะวันออกอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอาเวีงไปบอกเอาแววบางนี้แล้วว้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ครับ ทนี้เกิดสมมุติว่าเดี๋ยวเช้าก็มาทางนี้บ่ายมาทางนี้เออเย็นเย็นมาทางนู้นอย่างนี้ครับไม่ไดแ้แต่ที่แแบบมานั้นก็มาจากวัดเดียวกันไม่ใช่วัดที่ท่านมากันในหมู่บ้านครับสมมติว่าท่านจาริกมาใช่ไหม <grunts. S 1> ปกติพระอกอกวนท่านกระจายลิกกันไปไปพักที่ใดที่หนึ่งแล้วก็สั่งสอนญาติโยมอย่างนีใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็จะหาเอ้สิบวันสิบห้าวันเดือนนึงอะไรเดี๋ยวท่านกระ้ยายกันอีกแล้วอย่างนี้ออย่างนี้ท่านมาอย่างนั้นแล้ว เ, เราทําได้ยากเดี๋ยวเช้ามาทางนี้บ่ายมาทางนู้น อ้าวเย็นเย็นบางนี้แล้วอ้าวกลางคืนได้ข่าวว่าผ่านไปทางนี้สององนะอย่างนี้มันเลยเอะชักคงทําได้ยากครับไปที่นู่นดีกว่าไปที่นู่นเลยไปบอกซะเลยครับอนุญาตให้ไปบอกที่นู่นซะเลยเพราะท่านอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปบอกซะที่นู่นเลยคือทำไมท่านไม่อนุญาตให้เจ็บบัตรด้วล่ะครับเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมียังไม่ถึงเนี่ยค่อยๆไปลำหนับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าอะไรนะตอนนั้นมีเครื่องเสียงที่ไหนวะฮะได้ได้ทำไงให้ท่านได้ยินแล้วกันนิมนต์ครับนิมนต์ครับผมอยูอ่ผมกำลังทำวิเนียกรรมอยู่บริวารครับนิมนต์ทางนี้หน่อยนะครับพระท่านหันมาใ ห, ใ, ห ใ, หให้ให้สัญญาณว่ารับรู้แล้วต้องเห็นตัวด้วยป่ะบอกหมามั้งนั้นต้องต้องเห็นตัวด้วยป่ะ ไหนครับเอา้าต้องไม่เห็นเราจะรู้รอาการท่านรับทราบได้ยังไงครับใช่ไหมครับที่ทพูดทางห อ, อกระจายใช่ครับ ต, ต, ต้องต้องเราเห็นรู้ว่าท่านรับทราบรับรู้ไม่ใช่อยู่ๆก็พูดแม่งออกไปเรื่อยเบื่อบ้าแล้วอย่างนี้บ้าแล้วครับดีแดอบอกหมูบอกหมาบอกกาบบอกไก่ไม่ใช่อย่างนั้นให้ท่านรับทราบแล้วเราก็บอกในในที่ที่ท่านได้ยินนะครับบอกใชได้บอกในที่ที่ท่านได้ยินให้ท่านรับทราบได้ คือพูดง่ายว่าบุคคลผู้ถูกบอกนั้ น, นะจะต้องเห็นผู้บอกด้วยแล้วก็รู้ได้ว่าผู้บอกนั้นบอกอะไรครับเฝ้จริงเราต้องแจ้งทันก่อนใช่ไหมครั บ, รบผมทําวินัยกรรมอยู่นะครับประพฤติปฏิวาตินิมนต์ก่อนครับนิมนต์ทางนี้ครับอแล้วก็บอกครับบอกผมขอบอกวินัยกรรมหน่อยที่กําลังประพฤติอยู่นะครับหรือภาษาบ้านเราเดี๋ยวนี้ผมขอบอกปฏิวาตหน่อยครับผมประพฤติปฏิวาตอยู่ แล้วท่านก็หยุดให้ให้สัญญาณว่าเออท่านรับทราบแล้วเราก็บอกอย่างนี้ครับไม่ใช่อันนี้มดหน่อยครับท่านจะได้ยินไหมได้ยินหรือว่าอะไรท่านวิเศษหางบันเต้ําเบาละสามนาทีเสียงเสาะสวออเครื่องขยายไปเรื่อยไอ้นั่นว่าไม่รู้เรื่องหรือไงบอกหมาที่ไหนว่าเดินไปเรื่อยเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้อ่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวครับต่อไป อาคันดุเกนาตินะครับเกี่ยวกับอาคันดุกะแล้วทีนี้พอพอเกี่ยวกับการบอกแล้วก็ก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับเกี่ยวกับการบอกแล้วกินจีวิหารังคาเตคาเตนะตัดถาภิกขูนางอารโอเจตะาบางต้องบอกภิกขุทั้งหมดที่มาในที่นั้นอาคันดุกะนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อาคันดุกะที่ที่โมกุนี้ท่านอนุญาตให้ไปที่นู่นใช่ไหมครับไปที่วัดนู่นที่พระอยู่ไกลๆก็นอนนมมีมากใช่ไหมครับท่านอนุญาตให้เราไปที่นู่น เวลาเราเป็นอาคันธุกะไปแล้วต้องบอกให้หมดเลยครับบอกในที่นั้นน่ะพระที่อยู่ในนั้นต้องบอกหมดเลยนี่นี่นะครับการจีวิหารังคเ ต, เตนะตัดถาพิขูนางอาโรเจตาพังเมื่อคู่นี้ท่านอนุญาตให้เราไปแล้วใช็นไหมครับที่ท่านอนุญาตให้เราบอกแล้วบอกหมดทุกรูปเลยที่ ท, ท, ท, ที่ที่พระที่ท่านท่านท่านอยู่ที่นั่นทํำอะไรมันเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้หลงเหลือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่านมาเสียอยีกใช่ไหมครับ ไม่ให้ลงเหลือผ่านเพราะเปว่ากระบอกครั้งเดียวใช่ไหมครับปอ้ปองกันนะป้องกันนะไปเลยไปหาท่านเลยท่านอยู่ที่นุ่นไม่ต้องนิมนต์ให้ท่านมาที่นี่เราไปเลยไปลุยกับท่านเลยหมายความอย่างนั้นให้ความสะดวกเราท่านไม่ใช่ไม่ใช่ท่านมาให้ความสะดวกเราเรานะครับตรงนี้ต่อไปสเจสเพเอกถานเนจีเ ต, ต, เ ต, ตปสติเวลาไปถึงละไปถึงที่อยู่ของพวกท่านล้วเห็นท่านยืนอยู่กระตามโคนต้นไม้ที่เดียวกัน นะครับเอกขาเนธิเตนเนวะอาโรจิตาพังพึงยืนในที่นั้นแหละแล้วบอกนะครับเห็นท่านยืนยืนยืืนกันอยู่ก็ไปถึงอ่าขอโอกาสนะครับพระสงฆ์ผมประพฤติวินัยกรรมอยู่นะเกี่ยวกับปริวัตกรรมผมขอบอกวัดที่ผมประพฤติอยู่หน่อยแล้วก็เริ่มเลยครับยืนบอกได้เลยอ่าท่านยืนอยู่เราก็ยืนท่านนั่งอยู่เราก็นั่งท่านนั่งอยู่ในพื้นเราก็นั่งในที่ที่จำฟ้าที่ที่พื้นดินที่ต่ํา ตำ list, ่ำบาหรืถ้าพื้นดินเสมอทําไงอ่ะพื้นดินเสมอทําไงฮะยืนไม่ได้ท่านนั่งสมมุติท่านนั่งอยู่ในที่พื้นดินเสมอท่านบอกว่าถ้าพื้นดินท่านนั่งอยู่ในที่สูงเราพึ่งมาอยู่ที่ต่ําแต่เกิดมันเสมอกันน่ะเกิดมีคําถามมันเสมอกันทําไงวะลงไปอยู่ข้างล่างเฮ้ยมันลําบากระบุขุดดินต้องบัดวราจิตติอ้าวนอนบอกดีมากอ่าไม่ได้ ก็นั่งบอกนั่นแหละแต่เราอยู่ใต้ลมครับเราควรมาอยู่ข้างใต้ลมอเพราะถ้าขึ้นไปเหนือลมแล้วทำไมถ้าเกิดมีพระถิละมากกว่าเราอ่ะเราก็ต้องอาวัดแล้วใช่ไหมครับอ่เพราะนั้นป้องกันตรงนี้เราก็ไปอยู่ใต้ลมนะอาหารทิศทางที่ดีเกิดไปตดใส่ท่านพัดลมวิวไวอย่างท่านสมชายวันนั้นทำนานในห้อง